และพระเจ้ามัทราชทั้งพระเจ้าเกกราชพร้อมด้วยชาวเกกกะชนบทขอจงทอดพระเนตรข้าพระเจ้าทั้งสองจะสู้กันด้วยการไม่คดโกงกษัตริก็ดีพรามก็ดีไม่ได้ทำศัก ข, ขีพยานไว้แล้วย่อมไม่ทำกิจอะไรๆในที่ประชุมพระราชาของชาวกุรุรัตและอุณกะยักษ์มัวเมาในการเล่นการพานัน เข้าไปสู่โรงเล่นการพนันแล้วพระราชาทรงเลือกได้ลูกบาทที่มีโทษทรงปราชัยส่วนปุณกกะยักษชนะพระราชาและปุณกกะยักษทั้งสองนั้นเมื่อเจ้าพนักงานเอาคะแนนมารวมพร้อมแล้วได้เล่นการพนันกันอยู่ในโรงพนันนั้นปุณกกะยักษได้ชัยชนะพระราชาผู้แกล้วกล้าประเสริฐกวานรชน ท่ามกลางพระราชาหนึ่งรหนึ่งพระองค์และพยานที่เหลือเสียงบรรอลั่นได้มีขึ้นในสนามพนันนั้นสามครั้งปุณกะยักษ์ทูลว่าข้าแต่พระมหาราชาในเราทั้งสองผู้พยายามเล่นการพนันความชนะและความแพ้ย่อมมีแก่คนใดคนหนึ่งข้าแต่พระจอมชน พระองค์เป็นผู้เสื่อมแล้วจากทรัพย์อันประเสริฐข้าพระองค์ชนะแล้วขอพระองค์จงพระราชทานเร็วๆเถิดพระเจ้าธนัญชัยตรัสว่าท่านกัจจานะช้างมา้าโคแก้วมณีอุนทนและแก้วอันประเสริฐกวาทรัพย์ทั้งหลายมีอยู่ในแผ่นดินของเราท่านจงรับเอาเถิดเชิญขนเอาไปตามปรารถนาเถิด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 วิทุระบัณฑิตนั้นเป็นตัวของเราเป็นที่พึ่งเป็นคติเป็นเนกาะเป็นที่เร้นและเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเราท่านไม่ควรจะเปรียบวิทุระบันฑิตนั้นกับทรัพย์ของเราวิทุระบันดิตนั้นเช่นกับชีวิตของเราคือเป็นตัวเราอุณกะยักษ์ทูลว่าการโต้เถียงกันของข้าพระองค์และพระองค์จะพึงเป็นการช้านาน ขอเชิญเสด็จไปถามวิตุระบัณดิตกันดีกว่าให้วิตุระบัณดิตนั้นแหลชี้แจงเนื้อความนั้นวิตุระบัณดิตจะกล่าวคำใดคำนั้นจงเป็นอย่างนั้นแก่เราทั้งสองพระเจ้าทนัญชัยตรัสว่าแนมาโนบท่านพูดจริงแท้ทีเดียวและไม่ผุนผันเราไปถามวิตุระบัณดิตกันเถิดนะ เราทั้งสองคนจงยินดีตามคำที่วิทุระบัณฑิตพูดนั้นปุณกะยักษ์กล่าวว่าเทวดาทั้งหลายย่อมรู้จักอมาตในแคว้นกุรุรัต ช, ชื่อวิทุระว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมจริงหรือการบัญญัติชื่อว่าวิทุระในโลกนั้นท่านเป็นอะไรคือเป็นทาตหรือเป็นพระปยุรญาตของพระราชา วิตุระบันดิตกล่าวว่าในหมูลนรชนทาตมีสี่จำพวกคือทาตคลอกทาตในเรือนเบีย้ยจำพวกหนึ่งธาตไไถจำพวกหนึ่งธาตที่ยอมตัวเป็นข้าเฝ้าจำพวกหนึ่งธาตเฉลยจำพวกหนึ่งแม้ข้าพเจ้าก็เป็นทาตโดยกำเนิดแท้ทีเดียวพระราชาจงมีความเจริญก็ตามความเสื่อมก็ตาม แม้ข้าพเจ้าจะไปยังที่อื่นก็คงเป็นธาตุของสมมุติเทพนั่นเองท่านมานพพระราชาเมื่อจะพระราชทานข้าพเจ้าให้เป็นข้าพนันแก่ท่านก็พึงพระราชทานโดยชอบธรรมปุณกกะยักษ์ทูลว่าวันนี้ความชนะได้มีแก่ข้าพระองค์เป็นครั้งที่สองเพราะว่าวิทุรบัณฑิตผู้เป็นปราดอันข้าพระองค์ถามแล้ว ได้ชี้แจงปัญหาอย่างแจ่มแจ้งพระราชาผู้ประเสริฐไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมหนอะไม่ทรงยอมให้วิธุระบัณฑิตผู้กล่าวดีแล้วแก่ข้าพระองค์พระเจ้าทนัญชัยตรัสว่าแน่กัจจานะถ้าวิธุระบัณฑิตชี้แจงปัญหาแก่เราทั้งหลายอย่างนี้ว่าเราเป็นทาสเราหาได้เป็นญาติไม่ท่านจงรับเอาวิธุระบัณฑิต ผู้เป็นทรัพย์อันประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายพาไปตามที่ท่านปรารถนาเถิดอักขันจบ